ที่มาจากหลายๆาสำนักนะพูดซ้อมๆกันกยากนิดนึงแล้วคนไม่เคยฝึกเลยนะฝึกง่ายเนื่องการทำสติคนที่เคยฝึกแล้วเนี่ยยิ่งถ้าไปฝึกทางสมาธิมายิ่งฟังยากถ้าเคยฝึกอย่างสายท่านอาสภ า, านี่ก็ฟังง่ายหน่อยมันคล้ายๆกันแต่ละสำนักนะเยอะแยะเหมือนใคร ใครชอบสำนักไหนก็เรียนเอานะเรียนให้ถึงแก่นก็เข้าไปที่เดียวกันนี่ถ้าหลวงพ่อจะพูดแนวนั้นแนวนี้เดี๋ยวก็นะมีหลายแนวเนี่ยเดี๋ยวว่าเอาใจแนวนี้แนวอื่นไม่ได้ฟังนะแพูดกลางๆ ก, ก, กันล้กันพูดว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแทนที่เราจะมาเรียนว่าอาจารย์ของแต่ละสำนักสอนอะไรสอนไม่เหมือนกันนะ แต่ถ้าเรามาพูดว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนี้จะง่ายไม่ต้องทะเลาะกันคําสอนของครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละสํานัก mm hmm. ก็เป็นอุบายของแต่ละอาจารย์มีอุบายต่างๆกันไปครูบาอาจารย์เคยทํามาทางไหนได้ผลดีท่านก็เอามาสอนเราถ้าจริตนิสัยเราตรงกับครูบาอาจารย์เราก็ทําได้ถ้าจริตนิสัยต่างออกไป mm hmm. ก็ทํายากหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้ว mm hmm. ไม่มีการปฏิบัติ รูปแบบใดที่เป็นรูปแบบสําเร็จรูปที่ว่าทุกคนทําแล้วดีหมดนะเพราะถ้ามีรูปแบบชนิดนั้นแล้วก็พระพุทธเจ้าจะสอนไว้แล้วละ่ะท่านไม่ต้องสอนแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ให้เหนื่อยก็สอนนิดเดียวสมมติว่าพุทธโธแล้วรู้แจ้งได้กับพุทโธพุทโธนะทุกคนต่อไปนี้พุทธโธอ่ะรู้แจ้งอย่างในตําราของจีนพวกพระพุทธเจ้าของจีนบางองค์สอนด้วยกลิ่นเนี่ยมีอย่างนี้ก็มีนะ ให้ดมกลิ่นแล้วก็รู้แจ้งเห็นรูปปรมัดของกลิ่นบางองค์ให้ฟังเสียงฟังดนตรีฟังเพลงแล้วรู้แจ้งรู้รูปปรมัดของเสียงใ น, ในความเป็นจริงแล้วก็จริตนิสัยของคนต่างๆกันวิธีปฏิบัติก็จะต่างๆกันไปในหลักการอันเดียวกั น, นแต่และคนเดินไม่เหมือนกันเลยมีคาพังเพย ทำภาษิตอะไรไทยอีสานสมาจําภาษาอีสานไม่ได้แต่เนื้อความก็คือบอกว่าคนหลายๆคนเนี่ยไปกินน้ําบ่อเดียวกันเดินทางเดียวกันแต่ไม่ทับไม่เหยียบรอยกันเลยคือทางใครก็ทางคนนั้นแต่ว่าอยู่ในกรอบอยู่ในหลักการอันเดียวกันวันนี้เรามาพูดเรื่องหลักการปฏิบัติใครจะเดินแนวไหนก็ใช้ได้ทั้งหมดแหละ หลักการปฏิบัติจริงๆที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยง่ายง่ายกว่าที่เราคิดไว้เยอะง่ายมากมากเลยเราก็ไม่ต้องลําบากยากเข็ญในการเรียนรู้เลยมันง่ายถึงขนาดที่ว่าคนครั้งพุทธการเขาฟังแล้วเขาก็ปิ๊งเลยส่วนามากเราฟังแล้วแป๊กแป๊กไม่ปิ๊งนะเพราะเราคิดเยอะไปคิดมากกว่าการรู้สึกตัวหลักของการปฏิบัตินะก็คือหลักของอริยาาสัจสี่นั่นเอง ธรรมะทั้งหมดภาษาริบุตรท่านบอกว่าธรรมะฝ่ายกุศลทั้งหมดเนี่ยรวมลงได้ในอริยสัจสี่สงเคราะห์ลงได้ในอริยสัจส mm ี hmm. เพราะฉะนั้นกระทั้งหลักของการทำสมถะทำวิปันสนาอะไรก็ตามจะ mm hmm. จะไม่หลุดออกจากหลักของอริยสัจส mm ี hmm. ่หลักอริยสัจสีท่านสอนบอกทุกข์ให้รู้สมูทไทให้ละ mm hmm. นะการรู้ทุกข์การละสมูทไทนั้นแหะคือการเจริญมรรคเมือ่อใดละสมูทไท ได้ก็นิโรธก็แจ้งขึ้นในขณะนั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราจริงๆที่ต้องลงมือทําจริงๆคือการรู้ทุกขละสมุทัยให้ได้ถ้าจะรวบย่อลงมาอีกรู้ทุกขละสมุทัยมีสองานคือทําให้เหลืออันเดียวก็ยังได้อีกเพราะว่าถ้าเมื่อใดสามารถรู้ทุกขแมแจ้งสมุทัยจะเป็นอันถูกละไปเองโดยอัตโนมัติงั้นหน้าที่ของเราย่อลงมาถึงที่สุดก็คือการรู้ทุก คี่คำว่ารู้ทุกข์คือรู้อะไรรู้ว่าอกหักเป็นทุกข์ใช่ไหมรู้ว่าตกงานเป็นทุกข์ตกหุ้นขึ้นอะไรนี่เป็นทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่นะรู้ว่าเราแก่แล้วจะทุกข์ใช่ไหมก็ไม่ใช่เราเจ็บเราตายจะทุกข์ใช่ไหมก็ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์นะความทัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์ ความเศร้าโศกร่ําไรราพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ท่านไม่ได้สอนบอกว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์ท่านสอนบอกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์แล้วท่านก็สรุปให้ฟังว่าใครเป็นทุกข์ไม่มีผู้ทุกข์หรอกท่านบอกว่าว่าโดยย่อ อ, อุปาทานขันทั้งห้าคือตัวทุกข์อุปาทานขันทั้งห้าก็คือรูปกับนามคือกายกับใจนี่แหละคือตัวทุกข์ ไม่ใช่กนทุกนะมีแต่รูปกับนามที่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นการรู้ทุกก็คือการรู้รูปนามหรือรู้กายกับใจนั่นเองจะรู้อะไรก็ได้เบื้องต้นจะรู้อะไรก็ได้แล้วแต่จริตนิสัยไม่เหมือนกันนี่วิธีรู้ทุกแหละเรารู้แล้วนะว่าพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกคือรู้กายรู้ใจวิธีรู้ทุกนะท่านสอนมหาสติปัฏฐาน หลักของมหาสติปัฏฐานนะง่ายกว่าที่เรานึกไว้เยอะเลยหลักของสติปัฏฐานเนะี่ยท่านสอนกายานุปัสสนาสติปัฏฐานลองแยกสับหนูนะคือคําว่ากายคําว่าอนุคําว่าปัฏสนาปัฏสนาแปว่าการรู้การเห็นอนุแปลว่าตามอย่างอนุชาผู้เกิดตามเป็นน้องชายกายาก็กายรวมความกายานุปัสสนาคือการตามรู้กาย เวทนานุปัสสนาคือการตามรู้เวทนาจิตตานุปัสสนาคือการตามรู้จิตเนี่หลักของการปฏิบัติถามว่าทำไมต้องตามรู้ตามรู้เป็นยังไงการตามรู้ก็คือท่านก็สอนไว้อีกชัดๆเลยภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวหัวใจเลยของการปฏิบัติให้เธอมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวก็คือมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว ถ้าใจล่องลอยไปที่อื่นก็รู้ตัวไม่ได้พอรู้ตัวไม่ได้ก็รู้กายรู้ใจไม่ได้ถ้าใจลอยเพียงอย่างเดียวรู้กายรู้ใจไม่ได้ทิกสูตทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการอยหลังในการคู่ในการเหยอียดในการยืนเดินนั่งนอนให้เธอมีความรู้สึกตัวกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรก็รู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นนี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ ฉันบอกว่ากายอยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นอันนี้จะต่างกับที่อาจารย์สอนนิด น, นึ่งละอาจารย์สอนให้ทำอยู่ยที่ยามบทไหมเดินมีจังหวะเดินมีอะไรแตที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ยก็บอกว่ากายของเธออยู่ในอาการอย่างไรเขรู้ว่าอยู่ในาการอย่างนั้นให้ตามรู้ไม่ใช่ให้ทําขึ้นมาการตามรู้ไม่ใช่การดักเอาไว้ก่อนการดักเอาไว้ก่อนการจ้องเอาไว้ก่อนก็ไม่ใช่การตามรู้ นี่ในส่วนของเวทนาก็คือให้มีความรู้สึกตัวแล้วก็ตามรู้เวทนาที่กำลังปรากฏกความสุขเกิดขึ้นก็รู้ความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้เฉยๆเกิดขึ้นก็รู้ในส่วนของจิตตานุปัสสนาการตามรู้จิตจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพวกเราฟังให้ดีนะตรงนี้ ของเราชอบพอจิตฟุ้งซ้านต้องทำให้สงบเช็นไหมจิตภุ้งซ้านทำให้สงบไม่ใช่หลักของการทำสติปัฏฐานหลักของการทำสติปัฏฐานคือจิตเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นกายเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นทำไมต้องรู้มันเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงว่าเขาเป็นอย่างไร เราอยากรู้ว่ากายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรเราก็ตามรู้ไปเฝ้ารู้ไปเฝ้าสังเกตไปไม่ใช่คิดเอาเพราะงนั้นอย่างจะไปนั่งคิดว่าร่างกายต่อไปต้องตายตายแล้วเน่าก่อนจะเน่าต้องตัวแข็งก่อนตัวนิ่มๆผ่าตายแล้วตัวนิ่มอยู่หกชั่วโมงแล้วค่อยตัวแข็งแข็งไปยีิบสี่ชั่วโมงแล้วเริ่มเน่านิ่มใหม่ไม่ต้องเอาความคิดเข้ามาใชนะ้นั้นเป็นสมถะคิดไปแล้วข่มราคะ แลให้เราตามรู้กายตามรู้ใจลงไปกายอยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นใจอยู่ในาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นเราก็จะได้เห็นความจริงว่ากายกับใจนี่เป็นของที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาร่างกายอยู่เฉยไม่ได้นั่งเฉยเฉยแล้วมันทุกข์มันต้องขยับตัวหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆจิตใจก็บังคับให้อยู่เฉยไม่ได้ะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้าย มีความแปรปรวนไปเรื่อยๆเนี่ยเราตามรู้กายตามรู้ใจไปเรื่อยๆในที่สุดเรารู้ความจริงว่ากายกับใจเป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราอย่างแท้จริงการรู้ความจริงการเห็นความจริงอย่างนี้จะเป็นละความเห็นผิดที่ว่ากายกับใจคือตัวเราความเห็นผิดที่ว่ากายกับใจคือตัวเรามีชื่อเรียกว่าสักยทิฐิผู้ใดละสักยทิฐิได้ก็บอกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบัน ถ้าจะพูดย้อนกลับเนี่ยบอกเราปฏิบัติเนี่ยเรามุ่งไปเป็นพระโสดาบันเอาขั้นแรกให้ได้ก่อนพระโสดาบันละสักยัติทิชฌิคือละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้ทำยังไงจะละความเห็นผิดได้จะละความเห็นผิดได้ก็ต้องเห็นถูกทำยังไงจะเห็นถูกก็ต้องเห็นตามที่กายกับใจมันเป็นจริงถ้าเห็นตรงตามความเป็นจริงก็ละความเห็นผิดได้ วิธีจะเห็นตรงตามความเป็นจริงก็คือกายอยู่ในอาการอย่างไรรู้อยู่ในอาการอย่างนั้นจิตใจมีความรู้สึกอะไรก็อ่านความรู้สึกออกไปจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเนี่ยหลักการปฏิบัติเนี่ยจริงๆมีอยู่เท่านี้เองสรุปก็คือพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์คือรู้กายกับใจพอ ร, รู้มากๆเราก็จะหมดความรักกายหมดความรักใจเพราะที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกข์เนี่ยแล้วเรารักอะไรที่สุดรักกายกับใจเนี่ย พยายามหาอะไรดีๆมาปลนเปลือยตลอดเวลาห่วงแหนทะนุถนอมแต่มันก็ทําความทุกข์มาให้เรื่อยๆเอเราตามรู้ลงไปอย่างหารูปที่สวยๆมาให้จิตมันดูให้ตามันเห็นเนี่ยใจมันเป็นคนรู้นะมันมีความสุขเดี๋ยวเดียวมันก็เลิกแล้วมันก็อยากไปอย่างอื่นต่อก็ต้องดิ้นรนไปหาเสียงเพราะห์มาให้มันฟังอัลบั้มนี้ดีให้มันฟังมันฟังไม่กี่ครั้งนะมันก็เบื่อล ต้องไปหาอย่างอื่นมาอีกเนะี่ยต้องหาอารมณ์ที่ดีๆมาปนเปลอยนะเพื่อให้มันสบายใจอุตส่าห์เลี้ยงมันแทบตายเลยแต่ว่าเลี้ยงยังไงก็ไม่ยอมพอใจกายก็มีแต่ความทุกข์เอาข้าวให้กินนะไม่พอใจเดี๋ยวก็จะกินอีกแล้นะนั่งท่าเนี้ยอุตส่าห์ซือเก้าอี้ตัวละหมื่นมานั่งเดี๋ยวก็เมื่อยอีกแล้วปลนในบัตดยังไงก็ไม่พอใจ ในสุดเราก็จะรู้ความจริงว่ากายกับใจในี่แหละคือตัวทุกข์จริงๆไม่ใช่ตัวดีความยึดถือกายความยึดถือใจค่อยๆหมดไปอย่างทีแรกหลวงพ่อพูดไปสองขั้นตอนใกล้จะจบแล้วนั้นเนี่ยขั้นตอนที่หนึ่งคือให้เราตามรู้กายตามรู้ใจไปจะเห็นว่ามันแสบัวมันไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้เราก็ละความเห็นผิดว่ามันคือตัวเราได้สัตย์อย่างนั้นก็ตามรู้ตามดูเรื่อยๆไป เขาจะค่อยๆเห็นว่าโอ้เอาใจยังไงก็ไม่สําเร็จมีแต่ภาระมีแต่ความทุกข์ในการบริหารร่างกายบริหารจิตใจอเงี้ยความรักความโวงแหนกายกับใจก็จะค่อยๆลดลงคือความยึดถือมันจะค่อยๆ อ, อ่อนกําลังก็ขาดไปพอเราไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจมันก็ไม่มีอะไรให้ยึดถือแล้วะภาระการปฏิบัติในศาสนาพุทธก็จบลงตรงนี้เอง ตรงที่มันหมดภาระกับขันนะั้นแหละจิตมันปล่อยวางขันคือปล่อยวางกายกับใจจบแล้วเนาะใช้ได้ทุกสำนักนะเอาไปใช้เอาใครตามรู้กายตามรู้ใจการตามรู้กายตามรู้ใจก็มีจุดสาคัญอีกอย่างหนึ่งต้องปลอดจากปัญหานะอย่าอยากรู้อยากรู้ไว้ก่อนแนละ้วจะไปดักจ้องเอาไว้ คอยดูว่าเมื่อไรกายจะเป็นยังไงเมื่อไรใจจะเป็นยังไงอย่าอย่าให้ความอยากเข้าแทรกเพราะงั้นการปฏิบัติวิปัสนาจริงๆต้องง่ายที่สุดเลยสมถะทำยากวิปัสนาทำง่ายสมถะเนี่ยจิตไม่สงบทำให้สงบนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายสงบแล้วจะรักษาเอาไว้เขายากอีกแต่วิปัสนาง่ายที่สุดเลยจิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบ ดูไปเรื่อยเลยความไม่สงบก็ไม่เที่ยงความสงบก็ไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงดูไปมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมไม่เกี่ยวอะไรกับการนั่งทำตัวแข็งแข็งนั่งทำใจแข็งแนะข็งนะครางนี้แต่ละสำนักก็จะมีอุบายละอันนี้คือในหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนหลักกิจในอริยสัจเนี่ยเป็นแม่บทให่วิธีปฏิบัติจะสอนหลักอกสติปัฐานหลักของการตามรู้ นี่แต่ละสำนักครูบาอาจารย์ก็พัฒนาแท็กติกกลยุทธ์ในการปฏิบัติขึ้นมาสายวัดป่านี่ท่านชอบพิจารณากายท่านชอบรู้กายในการจะรู้กายได้ดียก็มีเงื่อนไขนี่อัศกถาสอนไว้เลยแล้วที่ครูบาอาจารย์พระปา่าท่านทนํานะตรงกับที่อัศกถาบอกท่านถึงทาแล้วได้ผลท่านบอกว่าพวกกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถายานี เขาทำสมาธิก่อนแล้วก็พอมีสมาธิแน่วแน่จิตใจตั้งมั่นนะเนี่ยก็มารู้กายจะดูง่ายแต่ถ้าอยู่ๆพวดเดียวเลยไม่ทำสมาธินะเพ่งเข้าไปดูกายจดจ่อเข้าที่กายมันมักจะกลายเป็นการเพ่งกายแต่เพราะใจไม่ตั้งมั่นพอใจก็จะไหลไปอยู่ที่กายอย่างเราเดินจงกรมเนี่ยเรายกเทา้าย่างเทา้าใจเราไหลลงไปอยู่ในเทา้า ใจไหลลงที่เท้าใช้ไม่ได้นะจิตไม่ตั้งมั่นล่ะนี้ถ้าพวกทำสมาธิไม่ได้ก็เหมาะกับการดูจิตนะฮะทักษะสอนอย่างนั้นจิตตาทุกปัสนานะเหมากับวิปัสสนายาง น, นี้คือดูไปเลยตามรู้ความเปลี่ยนแปลงในจิตใจไปเลยอันนี้เป็นเรื่องแท็กติกแล้วแต่ละสำนักก็พัฒนาวิธีการไป บางคนมาถามกันนะว่าเมื่อไหร่หลวงพ่อจะเปิดคอร์ส <c oughs> หลวงพ่อบอกพระพุทธเจ้าไม่เคยเปิดคอร์สเลย <c oughs> มีแต่ว่าเออมาเรียนนะมาฟังพร้อมๆกันได้แต่พอฟังเข้าใจแล้วท่านไล่แล้วนูน่นภูเขาน่นต้นไม้นั่นเรือนว่างนั่นถ้ำนั่นป่าแย่งจ้ายกันไปไปทาเอาไปตามรูใใ้ายตามรู้ใจเอาตัวใครตัว น, นั้นเนอะจบ <c oughs> <c oughs> อ๋อเย่ยมการรู้กายู้ใจตลอดเวลาที่เราเห็นดีกับการปบัติธรแต่ถ้ามีหน้าที่ในโลกด้วยอันก็ละเรื่องกันนะคือเรามีชีวิตชีวิตของเรามีหลายด้านะชีวิตในทางโลกคือเรามีหน้าที่หลายอย่างตอนยังเป็นนักเรียนก็เรียนมีหน้าที่เรียนด้วยะ โตขึ้นมามีหน้าที่ทํามาหากินมีหน้าที่ทํางานเนี่ยมีหน้าที่หลายอย่างทําหน้าที่ของเราไปส่วนการเจริญสติเนี่ยจะไปทําพร้อมๆกับการคิดไม่ได้นะเพราะมันศัตรูกันรู้กับคิดมันศัตรูกันเพราะฉะนั้นเวลาเรามีหน้าที่ต้องคิดก็คิดให้รู้เรื่องเรารู้เรื่องที่คิดแต่เวลาเจริญสติเนี่ยเราไม่ต้องรู้เรื่องที่คิดหรอกเรารู้ว่าคิดโคลรานกันนะ พอจะสังเกตออกไหมว่าใจหนีไปคิดเป็นช่วงช่วงอย่างนั่งฟังอาตมาพูดเนี่ยสังเกตไหมเดี๋ยวตาดูอาตมานิดนึงเดี๋ยวหูฟังหน่อยหนึง่งแล้วก็เข้าไปคิดยาวๆแล้วก็ออกมาฟังใหม่สังเกตตัวเองออกไหมเนี่ยใจมันแอบทํางานแล้วถูกต้องแล้วที่ต้องทํางานอย่างนั้นถ้าไม่ทํางานอย่างนี้ฟังไม่รู้เรื่องหรอกที่เราฟังขณะนี้เราไม่ได้ฟังเชิงปฏิบัติ การฟังธรรมะอย่างนี้เรียกว่าฟังเชิงปรียัติคือฟังให้รู้เรื่องเพราะฉะนั้นฟังไปคิดไปแต่พอเราจับหลักได้แล้วว่าอ๋อให้รู้นะไม่ใช่ให้คิดทางนี้เป็นหน้าที่ปฏิบัตินะอย่าไปคิดตอนนั้นเช่นตาให้มองเห็นรูปนะตาเห็นรูปปั๊บกิเลสไม่เกิดที่ตาแต่กิเลสจะเกิดที่ใจสมมติตาเห็นปุ๊บสัญญ า, ามันแปลนี้สาวสวยถูกสเปคใจเกิดราคะขึ้นมาคิดเกิดราคะ ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้ราคาที่เกิดขึ้นคืออะไรเกิดขึ้นทางกายทางใจคอยรู้ไปคอยสังเกตเห็นไหมยอดจิตแอบไปทำงานเรื่อยๆหนีแวบแวบไประยะระยะดูออกไหมเนี่ยหนีแวบอีกแล้วห้ามไม่ได้นะห้ามไม่ได้เพราะจิตจะหลงก็ห้ามไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวก็ทำขึ้นไม่ได้ มีหน้าที่ฟังให้เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวสติมันเกิดสงสัยมากไหม <c oughs> คุณบุษสงสัยรู้ว่าสงสัยนะไม่ต้องถามง่ายดี <c oughs> ความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับ น, <c oughs> นี่เราเรียนธรรมะเราเรียนอย่างนี้เรียนอย่างกล้าหาญมากเลยไม่กลัวงโง่ บางทีเรากลัวโง่เรากลัวไม่ได้ปฏิบตัติกลัวไม่รู้เราก็ทําอะไรต่ออะไรขึ้นมาทั้งเยอะแยะเลยรุงแต่งอุตลุดเลยเช่นกลัวโง่ก็รีบคิดใหญ่เลยหาเหตุหาผลใหญ่คิดใหญท่ทั้งทั้งที่การคิดหรือจินตามยญปัญญาทําให้รู้ทําไม่ได้หรอกไม่เห็นสภาวะการคิดนั่นแหละปิดกั้นสภาวะไว้ทําให้เราเวลาเราคิดเนี่ยเราลืมกายลืมใจนึกออกไหมเวลาเราคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดแต่เราไม่รู้กายไม่รู้ใจหรอก ฉะนั้นเวลาหลงไปในโลกของความคิดเนะ่ยก็เลยทําวิปัสสนาไม่ได้ฉะนั้นเราไม่ใช้ความคิดเราไม่ต้องกลัวงโง่อย่างเราสงสัยไว้าเอ๊จะปฏิบัติยังไงดีรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่นะแค่นั้นพอละเราจะเห็นว่าความสงสัยเกิดขึ้นร่างอยู่แล้วก็ดับไปนะปัญญาในทางศาสนาพุทธที่ต้องการนะต้องการแค่นี้เองพระโสดาบันไม่ได้รู้อะไรมากมายพระโสดาบันไม่ได้รู้พระไตรปิฎกนะ โสดา บ, บันรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาความสงสัยเกิดขึ้นมาก็ดับเสร็จแล้วมันจะอยากรู้อีกเกิดความอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วคำตอบมันคืออะไรรู้ว่าอยากรู้ว่าอยากเรับอีกความอยากก็ดับไปอีกเนี่ยคอยตามรู้ไปง่ายๆบางคนก็กลัวไม่ได้ปฏิบัติรีบนั่งเฝ้านั่งจ้องนะทำตัวแข็งๆทาใจแข็งๆนะโยไม่เอานะ อย่าไปจ้องใส่มันรู้สบายสบายรู้หรือเปล่าว่าใจแข็งอ่ะฮนะมันแข็งทื่อจิตใจร่างกายมันไม่เป็นธรรมดามันยังทำอยู่รู้ไหมมันยังไม่เลิกทําอ่ะรู้เปล่าอ้าวห้ามใจลอยนะใจลอยอย่าใจลอยนานใจลอยนิดหน่อยพองามใจลอยนานๆไม่ดี ไปไหนนะไม่นั่งจ้องนะนั่นเผลอไปละหนีแวบไปรู้มันนะแวบรู้แวบรู้นั่นแวบไปคนละรู้มันตรงไปตรงๆเลยเอา้าทําอะไรโน่นนะ <h> อ่ะคอยสังเกตใจเราสินะใจเราชอบแอ บ, บไปทํางานชอบหนีไปพอจะดูออกไหมนั่งๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวแวบบ แวบแวบไปเรืนะ่อยบางทีแวบไปก็ไปคิดนานๆได้หรือแวบไปจ้องอะไรไว้อันหนึ่งข้า<ม>งในนะล้วก็นอนแช่อยู่นิ่งๆโบเป็นไงโบ <c oughs> แต่รู้สึกตัวไปนะคือการปฏิบัตินี่ก่อนจะมารู้กายรู้ใจได้เราต้องรู้สึกตัวให้ได้ก่อนนะความรู้สึกตัวก็คือจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวรู้เนื้อ ร, รู้ตัวไว้ จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็รู้กายรู้ใจได้ถ้ใ่ใจลอยไปถ้าเรารู้กายรู้ใจไม่ได้ศัตรูหมายเลขหนึ่งของการปฏิบัติก็คือการใจลอยไปถาใจลอยแล้วปฏิบัติไม่ได้แล้วลอยคิดอะไรก็ไม่รู้นะหรือใจลอยระดับรองลงมาคิดอะไรก็รู้รู้เรื่องที่คิดแต่ลืมกายลืมใจอย่างนี้ก็เรียกหลงเหมือนกันเพราะยังทํำวิปัสสนาไม่ได้ศัตรูอีกตัวหนึ่ง นอกจากการหลงก็คือการนั่งเพ่งนั่งจ้องนั่งกำหนดมีความจงใจจะปฏิบัติก็จงใจเอาจิตเอาสติจี้ลงไปจี้ลงไปที่ตรงนั้นจี้ลงไปที่ตรงนี้ถ้าจี้ลงไปแล้วไปแช่อยู่นานๆใจเป็นเพ่งไว้เพ่งนิ่งๆใจซึมๆถ้าเพ่งแรงนั้นก็อึดอัดเพ่งเบาๆก็ชักจะเคลิมเคลิมพอเคลิมได้ที่ก็ฝัน เราฝันเราก็เรียกสกโกเลยว่าเกิดนิมิตสนุกแหมคิดรู้สึกตัวไวนะ้ธรรมะไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกนะไม่ต้องถลับลงไปจ้องใส่มันจิตเราเคลื่อนลงไปเราดูว่ามันเคลื่อนลงไปเนี่ยเข้าไปแล้วรู้ไหมมันถลับลงไปจ้อง ส่วนมากเราจะคิดว่าการปฏิบัติเนี้ต้องปล่อยจิตให้ถลำลงไปแล้วไปแช่จ้องอยู่ตรงนั้นแล้วจะเกิดปัญญาไอ้ตรงนั้นช้าไปละตรงที่จิตจะเคลื่อนลงไปจ้องจะเคลื่อนเข้าไปข้างในเนี่ยถ้าเรารู้ทันตั้งแต่จิตที่ส่งออกไปข้างในนะรู้ทันตั้งแต่ตรงนี้แล้วมันจะขาดเลยความปรุงแสงครูบาอาจารย์วัดป่าบางทีสอนอย่างห้าวหาญอย่างหลวงปู่ดูลบอกอย่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกก็คือเวลาดูก็อย่าหลงดู เคยไหมย่างเห็นคนเดินมาเราดูเขาเนี่ยใจเราวิ่งไปอยู่ที่เขาเราลืมตัวเราเองอย่างนี้เรียกว่าส่งจิตออกนอกหลงไปล้วเวลาฟังนะยินชาวบ้านข้างบ้านเราก็คุยอะไรกันเนี่ยมเราจะฟังได้ยินมีทิพย์ประจัก์ได้ทิพยประโสน่ฟังรู้เรื่องที่เขาพูดกันหมดเลยแต่ขณะนั้นลืมตัวเองลืมกายลืมใจนี่หลงทางหูนั่งอยู่เฉยๆก็คิดไปใจลอยไป นี่ก็หลงทางใจหลงทางใจมีหลายแบบหลงเผลอๆไปเลยก็ได้หลงคิดก็ได้หลงเพ่งหลงกําหนดนะหลงสารพัดหลงได้นี่หลงแสวงหาแล้วว่าจะดูอะไรดีเที่ยวกวานควานเที่ยวสแกนเนาว่าจะดูอะไรดีรู้ทันมันลงไปเลยนี่หลงทั้งเส้นนี่ส่งจิตออกนอกทั้งเส้นนี่หลงุท่เทศท่านสงสารลู้สึกได้ยินคำว่าส่งจิตออกนอกเลยเลยส่งเข้าข้างในกันหมดท่านเลยสอนสองอัน ไม่ส่งนอกไม่ส่งใ น, นเนี้ยเนี้ยอย่างนี้เรียกว่าส่งในนะหรู้ทันมันออกไปตรงเนี้ยเนี้ยหนีไปแล้วเห็นไหมเนี่ยส่งในนะอย่างเนี้ยเข้าใจไหมเคยชินจิตจะไหลไปตามความเคยชินถูกต้องแล้วคำว่าความเคยชินนะมีชื่อเพราะเพราะภาษาแขกว่าอนุใส่นั่นแหละเห็นไหมใส่ละเพราะมันเคยมีโมหะ ดูออกหมใจที่มันใส่คอยรู้ตรงไปเรื่อยนะตามรู้ไปทีละขณะทีละขณะอย่าไปทําอะไรมันอย่าไปห้ามมันอย่าไปบังคับมันแต่ว่ามันทานํางานยังไงคอยรู้ทันมันตามรู้ไปเรื่อยๆคือให้มันทํางานแล้วเรารู้เรียกว่าตามรู้ถ้าจ้องไว้ก่อนดูว่าเมื่อไหร่มันจะทํางานอันนี้ไม่ใช่ตามรู้แนละ้วไปดักไว้ก่อนนะห้ามดักไว้ก่อนเ พ, เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอน อ่าไม่เป็นไรนะค่อยดูมันละเอียดยิ่งนี้งศึกษาเราจะยิ่งพบมันละเอียดขึด้นเรื่อยๆการที่จิตแอบ ป, ปรุงแต่งนะละเอียดยิบเลยแล้วยิ่งปฏิบัติไปพอกิเลสละเอียดนะ่ะกิเลสที่ละเอียดละเอียดหน้าตาเหมือนกุศล น, นะเราจะรู้สึกว่าดีดีตอนเนี้ควาจริงเฟดมันไปเรียบร้อยแนละ้วกิเลสหยาบหยาบหน้าตาเป็นผู้ร้ายเรื่อผู้ร้ายกระจอกเนี้ยดูง่าย ผู้ไร้ในคราบผู้ดีดูยากยากกิเลสพอละเอียดเข้าแล้วหน้าตาเป็นผู้ดีนะเช่นจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนมากเลยนะเห็นครูบาอาจารนยะ์แล้วโอ้ท่านสูงส่งเหลือเกินนะเรานี่ยังต่ำต้อยนักเลยฟังแล้วเหมือนถ่อตัวนะควางจริงเป็นมานะควนะามถือตัวนะถือว่าเราแย่ละหรืออย่างการค้นคว้าพิจารณา เรารู้สึกว่าเออถ้าอยู่เฉยๆตามรู้ไปเรื่อยๆปัญญามันจะน้อยช่วยมันคิดสันิดหนึ่งคิดธรรมะซะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเกิดปัญญาความจริงมันคืออุทธัจจะความฟุ้งซ่านของจิตนั่นกิเลสพอถึงขั้นละเอียดนะดูยากนั่นหลงไปแล้วนะเห็นไหมบอกว่าคนไม่เคยฝึกกับฝึกง่ายาเคยฝึก ท, าทําสมาธิพลุงพลังนั้นดูยากที่สุดเลยเพราะว่ามันจะเข้าไปแทรกแสง ยังบางคนแทรกแซงเก่งนะจิตเคลื่อนี้เพ่งจึกกำหนดทีเดียวหยุดหมดเลยโกรธขึ้นมานะกำหนดโกรธทีเดียวกับโกรธเขาหายโรบขึ้นมากำหนดโรคโรคเขา ห, ข ห, หายกำหนดอะไร ห, หายหมดเลยเลยกูเก่งขึ้นมาล่ะเอาขึ้นมาเนาะไม้เป็นไงไม้ดีขึ้นอย่างเยนีน้โอ้ชมตัวเองก็ได้เนาะ <c oughs> อย่างนี้กล้าหาญจริงนะส่วนมากพอถามเป็นยังไงบ้างอดีบ้างเสียบ้างครับนี่พวกนี้พวกรักหน้า <c oughs> รู้ไหมใจวิ่งมาเนี้ <c oughs> มันมันลงอยู่สองขั้นตอนขั้นที่หนึ่งจิตโผว่ออกทางตาขั้นที่สองพอรู้แล้วเนี่ยพยายามเข้าไปแทรกแซงมนะัน่ะอย่าพยายามนะ รู้เท่าที่รู้ได้อย่าพยายามทําให้เร็วขึ้นนะการทํำวิปัสสนาต้องปลอดจากปัญหาปลอดจากความอยากอย่าเอาความอยากมาใช้รู้เท่าที่รู้ได้รู้บ้างเผลอบ้างดีกว่ากลัวจะเผลอเราจ้องเราไว้อย่าเข้าไปแทรกแซงนะคือถ้าเผลอแลอดเนี่ยเผลอไปผันเรา ร, รูร้ตัเวเองใช่เพราะในความเป็นจริงเนี่ยในขณะที่เผลอเรารู้ตัวไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้า จิตของเราเนี่ยเคยจําได้ว่าเผลอเป็นแบบนี้แล้วพอมันเผลอไปปุ๊บจิตมันจําได้เนี่ยสติจะเกิดเองนะเพราะเหตุใกล้ให้เกิดสติคือการจําสภาวะธรรมได้แม่นยําเหตุใกล้ให้เกิดสติไม่ใช่ตัณหานะไม่ใช่อยากให้มันรู้ก็จะไปเที่ยวรู้เอาเพราะฉะนั้นหน้าที่เราเนี่ยคอยหักสังเกตสภาวะไว้สภาวะอย่างเนี้หนีไปคิดใช่ไหมหนีไปคิดเป็นแบบนี้ใจลอยแวบไปเลยหายไปเลยเป็นแบบนี้ เพ่งลงไปเป็นแบบนี้นะราคาโทสะโมหะเป็นแบบนี้พอเรารู้จักสภาวะอันไหนแล้วพอสภาวะอันนั้นเกิดเนี่ยความรู้สึกตัวจะเกิดที่เองดูออกไหมเนี่ยหนีไปคิดละหนีไปกวานหามันออกไปพอเรารู้ทันนหัดรู้ไปอย่างเนี้ยนะหัดรู้บ่อยๆหัดรู้สภาวะให้มากๆเมื่อไร่สภาวะที่จิตเคยรู้จักแล้วปรากบทเนี่ยสติจะเกิดเองยาอยากเราะคิด แาง่ายก็พราคิดนะี่จริงมันก็ธรรมดาไม่ยากไม่ง่ายรู้เท่าที่รู้ได้ใช่มมันไม่เหมือนสอบเอ็นทรานนะมีการแข่งกับคนอื่นนี่ไม่ได้แข่งอะไรรู้ได้เท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นนีเนะชื่อจิ๋วหรือจิ๋วนะลืมไปนะมีเอา ม, มีไม่จัดตวา ด, ด้วยเฮยเอ็นดีเป็นไงเออดีละวนะดี ดีที่รู้ไม่ใช่ดีที่เพ่งน้อยลงเรารู้ถันมันก็เพ่งน้อยลงนะหน่อยมันก็เลิกรู้ไหมมันการเพ่งก็เป็นการแอบไปทำงานเป็นการสร้างภาระให้จิตใจลอยไม่ได้นะใครรู้สึกตัวไปนะไม่ยากหรอกรู้สึก คือลองฟังอย่างนี้นะคืออาจารย์สอนกําหนดใช่ไหมส่วนมากท่านสอนกําหนดเบื้องต้นนะ่ะกําหนดก่อนไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถ้าไม่จงใจดูไว้เลยเนี่ยจิตแอบไปเที่ยวโดยเราไม่รู้ทันอย่างกีเลตเกิดเราก็ไม่รู้ทันท่านก็เลยพาให้กําหนด ก, นนกําหนดไปก่อนนี่พอเรากําหนดชำน้ชํานาลองฟังธรรมะอีกอย่างหนึ่งในอัตถกถามหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยพระอัตถกถาสอนอะไรไว้อันหนึ่งนะซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีใครยอมอ่านกันละ ท่านสอนบอกว่าสติอันกําหนดรูปนามเป็นอารมณ์สติอันกําหนดรูปนามเป็นอารมณ์คือตัวทุกข์ปัญหาคือความอยากเนี่ยที่อยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกําหนดรูปนามเป็นอารมณ์คือตัวสมุทยัยสังเกตไหมเรามีความจงใจกําหนดแล้วบางคีกําหนดแล้วก็รู้สึกแข็งแข็งขึ้นมานิดหนึ่งหนักหนักขึ้นนิดนึ่งทุกข์มันเกิด ค่อยๆดูเอานะเรื่องกำหนดไปแล้วถ้ากำหนดแล้วรู้ว่ากำลังกำหนดอยู่มันก็จะเลิกได้ถ้ากำหนดอยู่แล้วเร า, เร า, เราส่วนมาเราไปคิดว่าการกำหนดคือการปฏิบัติลองเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนทัศนะนิดนึงนะเนี่อา จ, จารย์ไม่ค่อยอยากสอนเท่าไหร่เพราะลำบากใจเดี๋ยวจะขัดแย้งกันระหว่างสํานักถึงพยายาม เข้าไปดูว่าพระพุทธเจ้าว่าไงอธกถาว่าไงคือการกําหนดเนี้เป็นการทํางานจงใจทํางานเบื้องหลังการทํางานนั่นก็คือความอยากจะปฏิบัตินั่นแหละอยากให้จิตดีอยากให้จิตสบายให้มันพ้นทุกข์อยากรู้ทำเห็นทำกําหนดแต่หลักของวิปัสสนาเนี่ยจิตเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นหลักของสติปัฏฐานไม่ใช่กําหนดหรอก แต่ว่าถ้าจิตไปกําหนดเราก็รู้ว่าไปกําหนดอันนี้ก็ใช้ได้การจงใจกําหนดนั่นแหละคือการกระทำนั่นแหละการกระทำํำคือสมัยก่อนเนี่ยสมัยอาตมาเด็กๆนะเวลาอ่านหนังสือธรรมะหรืออะไรเนี่ยเขาแปลคําว่าสติว่าความระลึกได้ความระลึกรู้ หมายถึงอะไรปรากฏสติก็ระลึกรู้ไปความโกรธเกิดก็สติมัราระลึกรู้ของมันเองรุ่นหลังเนี่ยสติมันชักขี้เกียจมันไม่ยอมระลึกรู้อาจารย์เลยพากําหนดรู้กันแต่ไม่เหมือนกันนะสองอันกําหนดเนี่ยเบื้องหลังของมันคือตัณหาที่อธถกถาบอกไว้ส่วนระลึกรู้เนี่ยในอภิธรรมสอนไม่ชัดเลยว่าสติเนี่ยมีการจําสภาวธรรมได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิด เพราะฉะนั้นสติไม่ได้เกิดจากการกำหนดรู้แต่สติเกิดจากการที่เราจำสภาวะได้เช่นความโกรธเป็นอย่างนี้เราเคยเห็นมาแนละ้วความโกรธที่ผุดขึ้นในใจมาเนี่ยความโกรธหน้าตายอย่างนี้พอความโกรธเกิดปุ๊บเนี่ยสติจะเกิดโดยไม่ต้องกำหนดนะกำหนดเป็นกิจกรรมที่ตามหลังการระลึกรู้มาอีกทีนึงสังเกตไหมมันมีจุดที่รู้แล้วก็มีจุดที่กาหนดตามหลังใช่ไ กำหนดตามหลังนี้อาจารย์อาายุตสาหไปคิดวิธีอันนี้มานะเพื่อจะต้อนให้มันม า, าระลึกรู้ให้ตรงต่อไปนี้พอระลึกรู้ได้แล้วก็อย่าไปกําหนดมันสิหน้าที่เราหน้าที่ระลึกรู้นะเราจะเห็นสภาวะนะั่นะนะ่ะเกิดแล้วดับเหมือนอย่างเราต้องการดูว่าคนนี้นิสัยยังไงเราก็ค่อยดูเขาเราไม่ต้องไปนั่งจ้องหน้าเขานะนั่งจ้องเขาเหาเม่งเขาไม่กล้ากระดุกกระดิกอย่า ปล่อยให้เขาทำงานไปแล้วเราแอบดูเขาันกว่ามีการดยค่ะอ้เนี่ยาง่หานาทีแล้วเรายดูแลการเนี่ยหรือว่าทให้เรานึกไได้ว่าที่เราขอให้ผ่นาทีแล้วน้ันาทีแล้วนะมอนมีการมเยมันครับือเราบอกอัตมาถึงบอกไงว่ามันเป็นเบื้องต้น มันช่วยนะแต่ว่ามันเป็นการทํางานเพิ่มขึ้นมาอีกขั้นตอนหนึ่งถ้าเราทํางานชันชนน่วมิชนาเราก็ลดขั้นตอนลงเหมือนหลักบริหารสมัยใหม่อะ่ะขั้นตอนนี้ไม่จําเป็นก็ลดลงไปฟะเพราะจุดที่ทําให้เราเกิดปัญญาวิปัสนาปัญญาคือการเห็นความเกิดดับของสภาวะไม่ใช่การคิดซ้ําลงไปหรือกําหนดซ้ําลงไปถึงไม่กําหนดมันก็เกิดดับ เ น, นี่ยใจแอไปคิดทราบไหมเชิญสมบสี่ปรา่่ยถ้าสติว่าเราาการูตเจอรูย่นขณะที่ิเพื่อการู้ิเพื่อไปเพื่อพาที่ทำให้เป็นการอยไม่ใช่ไม่ใช่คือถ้าสติรารู้กายก็เป e, really <way> ็นกายานุปัสสนาในขณะนั้น สติะระลึกกุเวทนาก็เป็นเวทนาหรือปรสนาในขณะนั้นแตระหว่างที่จิตเคลื่อนแต่จิตมันวุ่นจิตไม่ได้เคลื่อนหรอกแต่จิตเกิดดับนี่เรามีความสําคัญผิดว่าจิตมีดวงเดียวรู้สึกไหมเหมือนจิตมีอยู่อันเดียวะเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาแล้วก็กลับมาวิ่งไปทางหูแล้วก็กลับมาควาวมาจริงมันเกิดดับจิตที่ไปรู้รอารมณ์ทางตาเกิดแล้วก็ดับจิตไปรู้อารมณ์ทางหูเกิดแล้วก็ดับมันมันทํางานต่อกัน งั้นไม่ต้องไปห่วงแหนมันอย่างเวลาเรามองเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาใจเราวิ่งไปอยู่ที่เขาจิตเราหลงไปอยู่ที่เขาแล้วหลงดูดูก็มีสองแบบนะั้นมีสักว่าดูกับหลงดูอย่างหลงดูนี้ใจวิ่งไปอยู่ที่เขาแล้วพอรู้ว่าจิตวิ่งไปอยู่ที่เขาเนี่ยพยายามไปดึงเราจิตคืนมาอย่างนี้จะแน่นเลยอึดอัดเต็มหน้าอกเลยเพราะอะไรเพราะทำผิดไปแล้ว จิตมันไปหลงไปดูเพราะขนาดที่รู้ว่าหลงไปดูเนะะี่ยขนาดนั้นรู้เรียบร้อยแล้วขนานั้นรู้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกำหนวดอีกใช่ไหมกําหนดเป็นเพิ่มงานอีกขั้นพอพอจิตหลงไปดูรู้ว่าหลงดูขนาดที่หลงดูเนะะี่ยจิตเป็นอกุศลขนาดที่รู้ว่าหลงจิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วถัดจากนั้นเนี่ยกุศลจิตตัวนี้ดับเกิดอกุศลจิตอีกตัวหนึนห่งเฮ้ยจิตของเราหนีไปต้องเอาคืนเกิดโลภะเกิดตัณหาอยากเอาคืนแล้ว เกิดการกระทํากรรมคือการเอาคืนมาเมื่อมีตันหาเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นใจก็อึดอัดขึ้นมาเพราะฉะนั้นดูลงไปทีละขณะทีละขณะจิตหลงไปรู้ว่าหลงขณะนี้รู้ถูกต้องแล้วเวลาพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานถ้าดูจิตศาสตร์ปรัชนาจะสอนหนึ่งคู่คู่จิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะเป็นคู่คู่ในขณะสมมติเราเห็นสาวจิตเกิดราคะ เขาเกิดราคาแล้วเกิดรู้ว่ามีราคาขนาดที่รู้เนี่ยไม่มีราคาแแต่จิตดวงก่อนหน้านี้มีราคาเพราะงั้นจิตเรารู้จิตที่เป็นอกุศลเนี่ยเรารู้ไล่หลังไะนั่นถึงบอกต้องตามรู้ตามรู้กายตามรู้ใจไปดูออกไหมเมื่อกี้ใจสายแวบๆเนี่ยไม่เราต้องรู้ทีหลังใช่ไหมขณะกําลังสายเนี่ยดูไม่ได้เพราะขณะนั้นอกุศลกําลังครอบงําอยู่นะ อุทัจจะกำลังค้อมงําจิตเนี่ยเห็นไหมตัวที่มันสายวับเนี่ยดูไม่ได้เราจะรู้ทีหลังรู้หลังจากมันสายถูกต้องต้องรู้หลังเพราะว่าอากุศลจะเกิดความสติไม่ได้สติก็เกิดความอากุศลไม่ได้เห็นไหมหนีแวบแล้วค่อยรู้เพราะฉะนั้นไม่ห้ามนะมันจะแวบแวบไงเขาช่างมัน ไม่ใช่ว่าจิตเป็นอกุศลแล้วไม่เป็นธรรมะนะเนีย่ยเข้าใจผิดอกุศลก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเท่าๆกับกุศลนั่นแหละเขาเรียกว่าอากุศลธรรมเห็นไหมอกุศลก็เป็นธรรมะแล้วอกุศลก็สอนธรรมะเราเท่าเๆกับกุศลนั่นแหละคือสอนว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับจิตหลงปั๊บเราก็ชอบบอกว่าหลงไม่ดีรู้ดีอันนี้ผู้เราเองอะ่ะจิตหลงปั๊บ แล้วรู้สึกขึ้นมานะจิตหลงเกิดแล้วดับทันจิตที่รู้สึกตัวก็เกิดแล้วดับเหมือนกันเดี๋ยวหลงใหม่เพราะฉะนั้นจิตทุกๆตัวก็แสดงไตรลักษณ์เหมือนๆกันแนหะทั้งกุศลทั้งอกุศลนี่อย่าไปเกลียดมันแต่รู้ทันมันนะถ้ารู้ไม่ทันมันแล้วมันครอบงำพฤติกรรมง่อกใจรอยสนุกไหมเวมากับใครวันนี้ โยเป็นไงการปฏิบัติหมููนี้อ้าวไม่ค่อคยดีแล้วเมื่อกี้ไม้บอกดีเลยโยรีบบอกไม่ดี <c oughs> มันไม่ดีเป็นยังไงคําว่าไม่ดีอะเออมันอยากเรารู้ใช่ไหมนั่นอะดี <c oughs> คําว่าดีคําว่าเลวเนี่ยนะไม่ใช่ว่าโหหมูนี้ปฏิบัติสติคล่องแคล่วดี นั้นมันถูกใจต่างหากอ่ะเราก็ไปแกลนว่าดีหมูนี้ดูไม่ค่อยชัดบอกว่าไม่ดีเพราะมันไม่ถูกใจความจริงทั้งดีทั้งเร็วนะ่ะแสดงคำมาให้เราดูแล้วรู้มันไปนี่มันจเจริญแล้วมันเสื่อมมันจเจริญแล้วมันเสื่อมต่างหากละ่ะคําว่าดีกับเร็วที่พระพุทธเจ้าสอนในการปฏิบัติก็ไม่เหมือนดีกับเร็วของเรานะของเราวันไหนจิตใจเบาสบายรู้ตัวคล่องแคล่วเราว่าดี วันไหนอืดอื่นหนักหนักเราบอกไม่ดีเร็วพระพุทธเจ้าดีเร็วของท่านไม่เหมือนกันท่านบอกว่าจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลนี่ดีจิตเป็นกุศลไม่รู้ว่าเป็นกุศลนี่ใช้ไม่ได้จิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลนี่ดีนะเนี่ยหมูนี้กิเลสเยอะเล ย, อยยยยยเลยเนี่ยรู้เยกะๆๆเลยเนี่ยกิเลสเยอะแยะไปหมดเลยนี่ดีนะ จิตเป็นอกูสลไม่รู้ว่าเป็นอกูสลนี่ใช้ไม่ได้เลยนี่เลวฝึกจิตนั่นดีกับเลวคืออยู่ที่รู้หรือไม่รู้ไม่ใช่อยู่ที่ตัวมันเองไม่ใช่อย่างความสุขดีความทุกเลวธรรมะที่ละเอียดดีธรรมะที่หยาบเลวธรรมะภายในดีธรรมะภายนอกเลวนี่พูดเอาเองอแล้วดีเลวของนักปฏิบัติอยู่ที่ว่ารู้ทันหรือว่าไม่รู้ทันมูนี้จิตมัว จิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ้านแล้วเราคอยรู้ว่าตอนช่วงนี้จิตฟุงสร้านนี่ดีนะไม่งั้นเราจะไปสร้างมาตรฐานตามใจของเราเองว่ า, า, าปไปสอนเป็นทําไมมันฉลาดกว่าเราสอนมันเอาความจริงไปให้มันดูให้มันยอมจำนว น, น, น, นไม่เชื่อหรอก <c oughs> มันจะหลอกเราสนิทเลย ยกตัวอย่างนะอย่างสมมตว่าเราไปเห็นสาวใจเราชอบแล้วก็รีบนึก อ, อย่าไปรักมันเลยของสกปรกเน่าเหม็นเอแล้วตอนนี้ใจสบายาสบายอีสักพักเดียวเหม็นเหม็นก็ดีเหือกันแหละมันหลอกตัวเองเท่านั้นเองนะไม่เอาความคิดเข้าไปใส่ถ้าจะใส่ความคิดลงไปใส่นิดๆพอมันเป็นแค่สมถะ เอาตัวรอดอย่างพระป่าบางทีท่านก็พิจนากายพิณาอสุภะพิณาปฏิกูลเพื่อข่มราคาไว้ก่อนเป็นพระแล้วราคาครอบงำเดี๋ยวอยู่ไม่ไหวงั้นเวลาเราจวนตัวจริงๆแล้วโยก็พิจนาไปก็ได้อสอนมันก็ได้แต่อย่านึกว่ามันเชื่อนะไม่เชื่อหรอกแต่ว่าใจจะสบายขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวแถวหลังสอนญิงไม่เชื่อล แต่ตามรู้ไปจิตมีราคะเกิดขึ้นมาดูไปเห็นราคะเนี่ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะโอ้จิตจริงๆประพักสอนนะฟ่องใสแต่เศร้าหมองเพราะกิเลส ท, ที่จอนมาเป็นคราวลจะไม่ให้กิเลสมาได้ไหมไม่ได้ห้ามไม่ได้จะให้จิตฟ่องใสตลอดได้ไหมไม่ได้บังคับไม่ได้ตามรู้ลงไปแล้วเห็นว่าบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้ทําไมโยจะต้องไปสอนมัน เ, เพราะอยากให้จิตดีใช่ไหมเอ อ, เ, อ, อเห็นไหมชอบสงบอ่ะสบายอยากให้จิตมันสบายอะ่ะก็ถูกแล้วไงว่าคิดแล้วมันสงบเพราะมันเป็นสมถะแต่เสร็จแล้วไอ้ที่เบื้องหลังการถ่ายทำครำนี้คือก็คือความรักจิตจิตคือตัวเราให้จิตสงบแล้วดีแล้วมันสบายนี่เสร็จแล้วก็คือประครับประคองห่วงแหนจิตเอาไว้มากเลยไม่ให้อะไรมาแพลวผ่านะ เราจะเรียนจนกระทั่งเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้นะไม่ใช่เรียนจนบังคับมันได้เอาความสุขมาป้อนให้มันนิรันดรได้ไม่มีอยู่ที่ว่าพอความสงสัยแวบขึ้นมาเนี้ยถัดจากนั้นเราทําอะไรถ้ารู้ว่าสงสัยนี่ถูกต้องแนละ้วถ้าไปคิดหาคําตอบ เนี่ยหลงไปเรียบร้อยแนะล้วกิเลสทุกตัว น, ะนั้นทําหน้าที่เดียวกันนะั้นหลอกให้เราเลิกรู้สึกตัวหลอกให้เราเล j j ิกดูจิตใจเชยงกรมมาฉันทะเกิดขึ้นราคะเกิดขึ้นเนี่ยมันพาให้เราคิดถึงคนที่เรารักมันไม่ให้ดูว่ากําลังรักอยู่พโทสะเกิดเนี่ยมันพาให้เราคิดถึงคนที่เราโกรธมันไม่ให้เราดูว่ากําลังโกรธอยู่ความสงสัยเกิดขึ้นมันก็ให้คิดหาคําตอบไปไม่ให้มาดูว่าจิตกําลังสงสัยอยู่ กิเลสทุกตัวทำหน้าที่เดียวกันหมดเลยหลอกให้เราเลิกมารู้จิตรู้ใจตัวเองเพราะว่ากิเลสนะอาจารย์มหาบัวสอนกิเลสมันซ่อนอยู่ในใจนั่นแหละถ้าเราไปเฝ้ารู้อยู่ที่จิตมากๆเดี๋ยวไปเห็นมันเข้ามันกลัวมันก็ผลิตกิเลสตัวเล็กตัวน้อยวิ่งล่อเราเหมือนอย่างเราจะเข้าบ้านเราเนี่ยเดินมาถึงหน้าบ้านเราแล้วไอ้โจรอยู่ในบ้านเราพอมันเห็นเราเดินมามันจวนตัวนะมันก็ให้ลูกน้องมันวิ่งออกมาสักคนหนึ่ง เราก็วิ่งตามโจ่งใจที่อื่นทิ้งบ้านออกไปในความสงสัยเกิดรู้ว่าสงสัยไม่ต้องสนใจหรอกว่าสงสัยแล้วจะไปคิดหาความรู้เราไม่ได้ปฏิบัติเอาความรู้อะไรเราต้องการเห็นแค่ว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเท่านั้นเองแต่ต้องใจถึงนะทำตรงนี้ส่วนมากทนไม่ได้อ่ะกลัวโง่กลัวโง่ต้องขอขอหน่อยนะขอคิดอีกนิดนะ่ะนะขอแถมอีกนิดนึงอนะ ดนั้นถ้าคนไหนใจถึงตรองง่ายคนไหนใจสอนถูกกิเลสหลอกให้คิดบางคนมาเรียนที่นี่จะสังเกตเห็นมไหมแต่มาไม่ค่อยให้ถามอะ่ะ พ, พอสงสัยดูความสงสัยไปเนี่ยดัชนิสัย <c oughs> โอ้ยอย่าไปสนใจเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> ของเราเห็นไหมสติเราเกิดดับเกินดับเนาะอย่าสนใจเลยพระอรหันต์นะ มาถามหลวงพ่อหลวงพ่อยัไปถามใครอ่ะ <c oughs> ถ้าพยายามไมมีสิ่งปลอมมา่านว่ า, า, ากำลัอะไร้อนกงไม่สามารถที่จะทำกิจการไม่ได้สิคนละส่วนกันหลวงพ่อตอบตั้งแต่แรกแล้วไงเวลาทำงานมีหน้าที่คิดอะไรต่ออะไรก็คิดไปเวลาจเจริญสติก็มาดูเอาคนละเรื่องกันเวลาจิตใจทาหน้าที่คิดก <c oughs> ็คิ ด, คด เวลาหมดหน้าที่คิดก็รู้เอาเด็กมาสอนีนี้ก็ไม่รู้แต่คิดก็ไม่ต้องรักษาแล้วเพราะว่าไม่หวงจิตของเราจะหากเราต้องคอยหวงจิตว่าจิตมันชอบหนี้ไปในทางไม่ดีอนุสัยมันมีของพระอรหันต์นะอนุสัยมันไม่มีนมันไม่ไหลไปตามความเคยชินที่ชั่วแล้วไม่ต้องรักษาคล้ายๆเป็นเด็กบ้านนอนสอนง่ายไม่สนไม่ดื้อแล้วไม่ต้องคอยเฝ้าไม่หนีเที่ยวแล้ว จะถามเรื่องพระอรหันต้องไปถามพระอรหันนะมันถามหลวงพ่อไม่ได้หลวงพ่อไม่รู้จะหันไปหาใครคนมาวัดมันก็ชอบเอาประกาศนียบัตรให้พระนะทุบซิบกันอุย้ยองค์นี้พระอรหันต์องนี้พระอนาคาโอ้โหตัวเองสติยังไม่มีเลยเที่ยวแจกปริญญาพระเยอะเลยเยอะเข้าวัด สุดสุบสุหน้าวัดเอาละองนี้พระอรหันต์แน่องโน้นอาจจะใช่นะองนี้ใกล้ละแล้วรู้ทัทีต้องรู้เร็วแค่ไหนครับรู้เท่าที่รู้ได้หมายความว่ารู้แค่เร็วแค่ไหนจร่นแตรู้ไปเรื่อยรู้จนกว่าใจจะยอมจำนวนกับข้อเท็จจริง ไม่ใช่ว่ารู้แค่ไหนนะต้องรู้ไปจนกระทั่งจิตมันยอมจํานวนกับข้อเท็จจริงจิตเนี่ยจะพยายามปฏิเสธตลอดไปเพราะมันหวงมันคิดว่าเราแน่นอนและมีหน้าที่รู้ไปเรื่อยๆเราไม่เห็นนะเราไม่เห็นอถ้าเห็นเราก็เป็นพระอรหันต์แล้วนะของเราตรงนี้เอาแค่ขันไม่เที่ยงก็พอ ขันเกิดเกิดดับดับแล้วก็พอเห็นว่าขันไม่ใช่ของเรานี่ได้โสดาแต่ไม่ใช่ของเราแล้วก็ขอเอาไว้ก่อนเนี่ยเอาไว้ก่อนเรื่อยๆจะเห็นว่ากายนี่เอาไว้ไม่ได้นก็ได้พระอนาคาจะเห็นว่าจิตนี่เอาไว้ไม่ได้ก็เป็นพระอรหันต์โู้ชอบถามนอกเรื่องอ่ะว่ามา คือเราอยกาไปสนใจนะลานธรรมอะ่นะอย่าไปคุยในร้านธรรมบ่อยไม่ดีนะ <c oughs> คือลานธรรมมันหลวงพ่อเรียกลานสัตธรรมปฏิรูปมันตั้งนานแล้ววันวันไม่ทำอะไร น, ะนั่งเขียนเนตกันนั่งดูนั่ง อ, างนนาอ่านสนทนาธรรมบอกยังอ้างอีกนะสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งนั่งสนทนาทั้งวันเลยซ้ําเพื่อไม่เป็นมงคลหรอกอภิมงคลนะ อย่าไปสนใจเขานะสนใจกิเลสของเราจิตใจเราเป็นไงคอารู้ไปนะจะได้ไม่เนิ่นช้าอย่าสนใจความคิดความเห็นของคนอื่นเราดูที่พระพุทธเจ้าสอนอย่าดูที่คนอื่นสอนนานทํายุ่งจะตายไปนะลองไปดูสิดูไปแล้วลองอ่านไปสักพักสิว่ากูสอเลือกกูสลเกิดอะไรเกิดมากกว่ากันดู รู้สึกเหรอหเป็นยังไงอ๋อมันเกิดจากวิบากอ่วิบากกรรมเราก็พลิกวิบากที่ไม่ดนะีให้เป็นโอกาสปฏิบัติธรรมถูกเขาด่าใจโกรธรือว่าโกรธ่งั้นอย่างพระละหาันยังวิบากมีในชะ่ไาหมาพระอะหันก็ถูกด่าได้ แต่ไม่สนใจแบบพระโสดาพระอาหารหันต์ในลานธรรมก็ชอบคุยกัน <c oughs> เอาตรงนี้ดีกว่าแทนที่จะว่าพระโสดาบันอะไรนะถามว่าอะไรนะรู้ตัวไม่รู้ตัวอะไรนะ <c oughs> คือถ้าไม่เคยเรียนปรีระ ก, ก็เรียกชื่อตัวเองไม่ถูก แต่ว่ารู้ว่ากิเลสหายไปล้วจะรู้สึกเลยไม่มีความรู้สึกว่ากายเป็นเราพอดูลงที่จิตไม่มีความรู้สึกว่าจิตเป็นเราส่วนจะเรียกว่าโสดาบันหรือไม่โสดาบันก็แล้วแต่คนถ้าเคยรู้ว่าเขาอย่างนี้อาการอย่างนี้เขาเรียกว่าพระโสดาบันก็รู้ว่าเป็นพระโสดาบัน ฮือ hmm? ใครบอกล่านางวิสาขาเกิดมาเป็นพระโสดาบันโอตำราอะไรใครแต่งตำราอย่างทำมาบทอสกถาธรรมบทอะไรก็บอกว่าเป็นตอนอายุเจ็ดขวบต้องแยกกันนะตำราเนี้ยมีเต็มบ้านเต็มเมืองเลยตำราบางเล่มครูบาอาจารย์ไม่ให้อ่านแล้วนะสั้นสั่งเลยเนาะ ไม่ให้ลูกศิษย์ท่านอ่านแต่ที่บอกว่าถ้าเสาลล็จนาเราเกิดไม่เิเจดครังไม่ใช่จพจริงพระพุทธเจ้า บ, บอกอย่างนั้นเนี่ยแต่นางวิสาขาไม่ใช่สงนาบันมาเกิดคอที่สุนสาบันาเกิดก็คือว่าเกิดมาก็คือไม่รู้อยู่แล้วว่าได้เป็นไม่รู้ไม่รู้บัญญัต เรารับรู้เนี่ยงานหรือเป็นการงานทีนี้ถ้าเราเอาเเ้ามอแล้วเรามวนเะคว่านาแต่แต่เรามีสงสัย่ว่าหรือาเรารรู้ความสงสัยรู้ว่าเราปัจจุบันไอสองงานนั้นเป็นอดีตปัจจุบันคือสงสัยให้รู้ปัจจุบันอยากรู้รู้ว่าอยากรู้นะหรือแม้ต้องใจถึง อยากรู้ต้อรู้ว่าอยากรู้ต้องใจถึงนะงคืออย่าเอาคําตอบเพราะว่าอะไรเพราะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเราปฏิบัติทำไม่ใช่เพื่อเอาความรู้นะเราปฏิบัติเอาความพ้นทุกต้องเป้าหมายให้ถูกก่อนถ้าปฏิบัติอยากได้ความรู้ไม่ต้องปฏิบัติก็ได้ไปเรียนพระอภิธรรมเอาเจ็ดแปดปีก็รู้หมดแล้วแต่ถ้าเราปฏิบัติเราปฏิบัติเอาความพ้นทุก เราอยากรู้ทนไม่ได้แล้วความจริงไม่มีอะไรหรอกของจริงของปลอมอะไรนะมันก็ปลอมด้วยกันหมดแหลนะอย่างสภาวะอันนี้เป็นสภาวะที่จิตเราปรุงขึ้นมานะหรือเป็นรูปนามที่วิบากส่งให้เกิดอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปวิเคราะห์มันก็ได้นะเราเอาความทุกข์เป็นหลักไว้แล้วจะง่ายนะ <laughs> อ้าวจิตเป็นไงนกำลังสตแล้วกำลังสังเกตรู้ว่ากำลังสังเกตยอยู่ไม่ใช่รอว่าดูว่าจิตจะไปทางไหนไม่งั้นไม่ทันนะถูกหรอกเห็นไหสังเกตอีกแล้วสังเกตรู้ว่าสังเกตก็ต้องรู้ทันอนะอะไรบงการพฤติกรรมเราอยู่ แม่าการที่ส่งใจไปดูเนี่ยเป็นพฤติกรรมมันึงอะไรบงการมันมันอยากรู้มันก็ส่งออกไปดูอะไรเงี้ยอาการที่ใจสายออกไปเรารู้ทันว่าสายออกไป น, ไไนั่นยังไงส่งในใหลวงปู่เทพบอบกส่งในก็ไม่ได้นะเห็นไหมเราบอกว่าส่งนอกไม่ดีแต่ส่งในไม่เป็นไรนี่เราพูดเราเองนะ ก็จริงก็คือเบื่อก็รู้ว่าเบื่อเบื่อก็รู้ว่าเบื่อความเบื่อก็ไม่เที่ยงอีกแหละแต่ถ้าใจมันหนีเองห้ามไม่ได้นะแต่ว่าอย่าไป จ, จงใจหนีทําอะไรอะเนี่ยรู้ว่ากําลังจะดูรู้ให้ทันต้นทางมันนะ ใจหนีไปแล้วอ่ะพอแล้วนะในเวลาอ่ะเชิญเฉินฮะเนอานาฬิกาไม่ตรงกับสีเอออืมอืมคืออย่างนี้ไม่ว่าสภาวะอะไรเนี่ยนะ ก็คือความปรุงแต่งนละ้นะอย่างกระทั่งกายเนี้ยก็คือความปรุงแต่งจะเป็นความปรุงแต่งเป็นผลของความปรุงแต่งในอดีตนะความปรุงแต่งทางจิตใจในปัจจุบันนันก็ความปรุงแตงเขาก็คือความปรุงแต่งทั้งนั้นแหละนี่ทุกอย่างมีค่าเท่าเท่ากันทุกอย่างค่าเท่ากันหมายความว่าพอเราไปรู้เข้าแล้วเนี้ยจิตของเราเกิดปฏิกิริยาอย่างไงให้เรารู้ทันตรงปฏิกิริยาเราไม่ต้องไปดูไอตัวต้นตามมาหรอก ว่าไอ้นี่ปุงแต่งเก่าปรุงแต่งใหม่ความจริงก็เป็นความเป็นอารมณ์ตัวหนึ่งที่จิตไปรู้เข้าเมื่อจิตไปรู้อันนี้เข้าแล้วเนี่ยจิตเกิดปฏิกิริยาเช่นสงสัยอยากรู้ว่าอันนี้คืออะไรนะรู้ทันปฏิกิริยาตัวเนี้นเรได้รู้ปัจจุบันนะถ้าเราปฏิบัติด้วยความห้าวหาญอย่างเงี้ยเราจะรับสั้นนิดเดียวเลยจะกล้าไปสู่ความพ้นทุกข์ได้รวดเร็วแต่ถ้าเรามาวิเคราะห์เชื่อไหมว่าความปรุงแต่งมีเยอะ เรามานั่งวิเคราะห์ความปรุงแต่งตัวที่หนึ่งเนี่ยพอเข้าใจเนี่ยเราจะเจอความปรุงแต่งตัวที่สองเราต้องวิเคราะห์อีกต่อไปก็สา ม, ส, ามสี่ไม่มีวันจบเพราะงั้นถึงแนะนําบอกว่าย้อนเข้ามาเลยมารู้ทันปฏิกิริยาของจิตเนี้ยในสุดจิตจะเข้าไปถูงความเป็นกลางอะไรนะ อ๋องั้นไม่พ้นหรอกไม่ต้องกลัวไม่พนะ้นอ่ะพ้นยากนะถ้าอย่างใจยังผูกอยู่เนี้ยนะลึกๆมันผูกอยู่นะไม่หลุดหรอกไม่ต้องกลัวเลยเออนะบางคนเนะี้ยมาบอกหลวงพ่อบอกว่าผมไม่กล้าเจริญสติผมกลัวบรรลุธรรมเพราะผมจะเป็นพระโพธิสัตว์ผมก็เลยทําบุญทําทานรูปเดียวบอกโอ้นี่โพธิสัตว์โง่อย่างงี้พระโพธิสัตว์จริงๆที่ได้รับพยากรณเนี่ยปฏิบัติเก่งนะไม่ใช่ปฏิบัติไม่เก่ง เขาต้องได้อย่างน้อยสังขารู้เบกขาเขาได้กันแล้วปฏิบัติจนสุดเลยนะชนประตูผ้าละหันแล้วท่านไม่เอาวันนั้นน่ะจะบรรลุผ้าละหันก็ได้แล้วยังไม่เอาเนี่ยขอเป็นโพธิสัตว์ต่อใจถึงขนาดนี้พระพุทธเจ้าถึงขยักก่อนเพราะงั้นโพธิสัตว์หน่ำแนมประเภศต่อแตะต่อแตะเอาแล้วขอใส่บาตรอย่างเดียวไม่เจริญสติผมกลัวหลุดไม่มีวันหลุดหรอก ทำไงก็ไม่หลุดหรอกส่วนมากโพธ่สัตว์รักษาหน้าภาวนามไม่เป็นกลัวอายเพื่อนเลยบอกว่าผมเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมโยีโยไม่เป็นผม <c oughs> ในร้านทำมาโพธิสัตว์เยอะเลยโพธิสัตว์อยากดังก็มีนะโพธิสัตว์อยากรู้ก็มีอยากรู้เป็นอยากดังเห่นอยากเป็นผู้นาําครับโพธิสัตว์อยากรู้รู้สึกว่าเป็นสาวกให้ความรู้มันน้อย อยากเป็นพระพุทธเจ้าความรู้จะได้เยอะโพธิสัตว์อยากรู้โพธิสัตว์รักษาหน้าคือเพื่อนเขาภาวนาไปไหนไหนเราไม่เป็นสักทีเราบอกเราโพธิสัตว์เ้วโพธิสัตว์จริงๆตัวนี้ดูได้ง่ายๆเลยจิตเขามีมหาการุณาไหมจิตของคนที่จะเป็นโพธิสัตว์จริงๆนั้นต้องมีมหาการุณาเห็นความทุกข์ของคนอื่นแล้วทนไม่ได้จริงๆอะ่ะเกิดเมตตาจริงๆ เมื่อหลายปีก่อนนะมีตำรวจคนหนึ่งรถมันมีรถนักเรียนคว่ำที่ปิ่นเกล้าไฟไหม้รถนักเรียนรถเด็กอนุบาลตำรวจเนี่ยมันลุยไฟเข้าไปไปลากเด็กออกมาได้เสร็จ แ, แล้วมีเด็กอีกสองคนมันสารักควันเงียบไปตำรวจนี่ไม่รู้ว่ามีเด็กอยู่อีกเด็กเลยตายสองคนตำรวจนี่เสียใจมากเลยบอกถ้ารู้อีกก็จะลุยเข้าไปเอาอีกแต่ถูกไฟลวกจนเละแล้วนะ แน่ต้องใจข้าอย่างเงี้ยนะถึงจะเป็นผัวที่สัดไหว